การดูหลงไปคิดวงเล็บเปิด14มีนาคม25งพห้าอดในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสี่บเอดวงเล็บปิดสังเกตไหมเวลาคุยกับหลวงพ่อสังเกตไหมว่าบางทีก็มองหลวงพ่อบางทีก็ตั้งใจฟังใช่ไหมฟังได้แวบเดียวก็ไปคิดรู้สึกไหมฟังแล้วสลับกับคิดไปเรื่อยๆฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆฟังแล้วคิดฟังแล้วคิ ด, คดให้เรารู้ไปจิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้ ถ้ารู้อย่างนี้เรียกว่าเรารู้ทันแต่ถ้าเราไม่เห็นตอนที่จิตไปคิดมันจะไปคิดเราก็ไปรู้เรื่องที่คิดรู้เรื่องที่คิดนี่เรียกว่ารู้ความคิดใช้ไม่ได้แล้วเรียกว่าหลงไปคิดแต่ถ้าเราเห็นจิตมันไหลไปคิดเห็นมันขยับไปคิดอย่างนี้เรียกว่าเรารู้ทันสภาวะรู้ทันจิตหัดอย่างนี้นะไปคุยกับใครก็ได้ไปคุยกับเขาแล้วก็คอยสังเกตเดี๋ยวก็ไปมองเขาเดี๋ยวก็ไปฟังเขาเดี๋ยวก็ไปคิดฝึกอย่างนี้นะ